ถ้ากรรมและผลของกรรมไม่มีเราก็ไม่เชื่อพระพุทธศาสนาเหมือนกันพระพุทธศาสนาจะล่วงไปเท่าใดก็ตามกรรมและผลของกรรมก็มีอยู่กรรมุนาวัตติโรโคสันโลกเป็นไปตามกรรมกรรมและผลของกรรมนั่นเองเป็นสารไต่สวนเป็นสารตัดสินเป็นสารอายการเป็นพยานอยู่ในตัวด้วยไม่ต้องหาพักขาเสียงเลย พระพุทธศาสนาเป็นสันติภาพเป็นศาสนาที่ปลดเวรภัยปลดอาวุธอาวุธทางไม่ดีและพระพุทธศาสนาเป็นพระพุทธศาสนาที่ปกคลองโลกด้วยอย่างโจงแจ้งอย่างพึงภายเลยทําเป็นโลกบาลคุ้มคลองโลกสองอย่างความละอิตบา ความกลัวต่อบาปเท่านั้นจะคุ้มครองโลคได้ถ้าโรคไม่มียางอายต่อบาปไม่มีความกลัวกลัวต่อบาปแล้วค้อนไม้ก้นหมูกก้นผักก้นพวกก็ตั้งมาอยู่อู่คลังทําไม่นําคําหนึ่งก็หมดที่เพึ่งพิงเองอาศัยทําความชั่วในที่แจ้งไม่ได้ก็ไปทําในที่รับเอ้าถ้าไม่มียางอายต่อบาปไม่มีความกลัวต่อบาปแล้ว มันก็ไปแล้วร่วงแล้วเมิดสินห้าใช่ไห ม, มถ้าชาวโลกไปมีดสินห้าไปจำใจอยู่แล้วจะตั้งกฎหมายขึ้นกีิแล้วล้านมาตรามันก็ไม่อยู่ใช่ไหมนั่นนั่นอยู่ที่ไหนนั่นอยู่ที่ใจของผู้ฟังและผู้พูดนี่อยู่ที่ไหนนี่อยู่ที่ใจของผู้ฟังและผู้พูด ใครจะนับถือพระพุทธศาสนาหรือไม่นับถือพระพุทธศาสนาก็ตามกรรมและผลของกรรมก็ตามสนองเธออยู่ทุกอิริยาบทของกิจกรรมชนิดไหนก็ให้ผลในภพนี้และภพหน้าได้ผลในภพสืบให้ผลในภ พ, นพเป็นลำดับได้ตามกิจธุระที่ทำพระหัวละกร ร, กรรมกรรมชิน ก็ให้ผลตามที่เคยทำจนชินมากตั้ตากรรมกรรมสักว่าทำไม่มีไม่มีเ ก, กีตนาก็ตามก็ให้ผลตามส่วนค้นค่าของเหตุที่ทำขึ้นน้อยและมากเว้นพระหันซักเพราะท่านเหนือกรรมไปแล้วเพราะกรรมชั่วท่านก็เว้นพอแล้วกรรมดีท่านก็สร้างพอแล้ว ก็เลยเหงากรรมไปสักดำกวามันนั่นลงมาอ่าอวดดีเลย ส, สันติภาพก็คือพระพุทธศาสนาจะไปหาสันติภาพที่ไหนมันก็ไม่เจอไม่เจอไม่พบไม่ปะไม่เห็นเลยถ้าไม่ปฏิบัติพระพุทธศาสนาแล้วสันติภาพจะมาจากประตูไหนมีแต่เวนสนองเวนภัยสนองไัยนั่นเอง พระพุทธศาสนาไม่ได้หาเสียงไม่ได้ตั้งไว้เป็นพรรคนั่นพรรคนี้ถ้าทำถูกมีอิสระที่จะอนุโมทนาทั้งนั้นถ้าทำผิดก็ไม่อิสระที่จะไม่อนุโมทนาทั้งนั้นมิตร ด, ดีสหายดีตอนไหนทำดีก็ส่งเสริมตอนไหนทำชั่วก็เกียดกันพ่อดีแม่ดีครูดีอาจารย์ดีปู่ดีย่าดีก็เหมือนกัน อ้าสิ่งไหนที่พระบ ร, ร, รมศาสดาไม่สอนไม่มีเลยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรมสมบัตินิพพานสมบัติสอนพอแล้วสร้างมาไมีมีพุทธประสงค์อะไรบ้างพระพุทธเจ้ามาเป็นยุก ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆุกยุกยยุกยุกกอเนตะสะตะโกตโยพระพุทธเจ้ามากกว่าร้อยโกรดก็ดีหรืออสงไขยอสงไขยกับก็ดี แต่ล่วงไปก็อาสงไขอ่อาสงไข่กลับแล้วที่มาในข้างหน้าก็อาสงไขอ่อสงไข่กลับเหมือนกันถ้าไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่มีคําสอนของพระพุทธศาสนาแทรกแซงอยู่ในโลกนี้โลกนี้ก็เหมือนสุนะัขตัวไหนเชี่ยวยาวกัดแล้เอาไม้วางเลยคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้อง คนครูคนพระคนเจ้ามาจากไหนสวัสดีหรือไม่คนปู่คนย่าคนตาคนยายมาจากไหนก็า ม, มาจากอายุวันโนสุขังพลังของพระใช่หรือไม่ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาแท้ๆอยู่ในโลกเลยทะเลน้ำตาทะเลเลือด กลิ่นของโลกจะเป็นยังไงก็คือกลิ่นเหม็นแล้วดีๆนี่เองเพราะเหตุหดเพราะฝังและเผาไม่ทันและก็ไม่มีที่ฝังที่เผาอีกเสียด้วยทึ่งกันเกลื่อนกาดใช่ไหมนั่นเอา้าถ้าชาวโลกมียาอาตบามีความกลัวตบาปชิ้นห้าก็มีอยู่บ้าง ถ้าไม่มียังอายต่อบามไม่มีความกลัตวตบามแล้วชิ้นหนักก็ไม่มีสักข้อเลยมีแต่ปานาติปาตาเวเนมานีเวเนมานีอยู่ในตัวหนังสือไม่มีใครเว่นเลยนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นชิ้ขาพระทางสมาธิยามิก็เป็นสิกขาบท อยู่ที่ตัวหนังสือมันไม่อยู่ที่ตัวหนังสือใจเหตุนั้นจึงอนะมานอยู่ทุกหย่อมยา่าถ้าชาวโรกมีสินหน้าบริบูรณ์แล้วทหารก็ไม่ต้องมีตำรวจก็ไม่ต้องมีโซอตรวนก็ไม่ต้องมีคุณแก่ก็ไม่ต้องมีขายของก็ไม่ต้องเฝ้าเวียนยก็ไม่ต้องมี โลกเอตก็ไม่ต้องมีเพราะมันมีขอบเขตนะอธทินนาทานก็ไม่มีตานาทิบาทก็ไม่มีปานาทิปาตาเวรมนีก็มีแต่ตัวหนังสือมันไม่อยู่ในหนังสือใจนั่นกฎหมายก็ห้ามว่า มาให้พระพุทธศาสนามาให้พระเป็นการบ้านการเมืองพระไม่สอนบ้านสอนเมืองจะไปสอนผีตัวไหนเอ้านายะพตพิทักม์มาอยู่ที่ปฏิบัตินักคำตีโทรเอกหรือปรเปียนสามหรือหกหรือเก้าประโยคก็ต้องผ่านทั้งนั้นห <c oughs> น้าที่หน้าที่ของคารวะาทำกับพระทำยังไงบ้า หด้วยกายกรรมคือทําอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาสองด้วยวจีกรรมคือพูดอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาสาด้วยมนโนกรรมคือคิดอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาสีด้วยความเป็นผู้ไม่ปิดประตูคือห้ามไม่เข้ามาเรือนหด้วยห้อเมจสถานนั่นนั่นหน้าที่ของคาวาสจะทํากับพระเนนหน้าที่ของพระเนนจะทํากับคาวาสคือทํำยังไง หนึ่งห้ามไม่กระทำความชั่วสองให้ตั้งอยู่ในความดีสามอนุเคราะห์ด้วยน้าใจอันงาม 4. ีให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังห้าทำสิ่งที่ฟังแล้วให้แกมหกวางทางสอนให้นั่นนั่นนั่ น, น, นอใส่ทั้งไม่เอกใส่ทั้งไม่โทใส่ทั้งไม่เล็กเกศนั่นนั่นนั่นอนั้นอีก นั่นถูกไม้มพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนเหมือนพวกเราพระพุทธศาสนาสอนโลกโดยโจกแก่สัตว์เทวมนุษย์ชาหนังเป็นผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ตั้งหลายนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นทัดทั้งสรรพยันชนางเกวราปริปุล น, นางปริสุทดทางพรมจรดยังประกาศเสสประกาศนี้ทั้งอัตทะทั้งพยันชนะเส้นเชิง ตามหางพระขวันตังอภิพุธยาเมตตามหมังพระขวันตังชีรสานามามิจึงยอมยังจึงยอมกราบไหว้ไม่ได้กราบไหว้แบบโง่ๆ<嗯>ตามหางทำมังสังขังคมกันกัน น, นัถ้าทำทั้งหลายไม่บริบูรณ์เราก็ไม่เข้าสู่พระพน涅槃ทำให้อะในของเรานี่เองจะเป็นที่พึ่งของชาวโลกท่านทั้งหลายจงเอาเป็นศาสนาแทนเราสถาคดเถิดพระบรมศาสดา พระพุทธเจ้าองค์ไหนๆมาก็มาสอนอันเดียวกันไม่ลดบ้างพรบกันเลยอันนี้พวกมนุษย์ของเร า, าตั้งรประชาธิปไตยตั้งแต่2475 ย, ย, ยังไม่ได้เลยอพ่ อ, อแม่เ อ, อ๋ยนั่นนะอะเรียกม 9, ุกางพระสมาชพระพุทธเจ้าก็ยังไม่ถูกอีกเช่อด้วยนั่นอวดดี วัดดีต่อพระพุทธศาสนาคบพระพุทธศาสนาไม่แตกอ่านไร้การตูวพระพุทธศาสนาว่าไม่ดีไอ้ที่แท้ตัวไม่ดีไม่พูดไระยำริง้งกิ้งชาวโลกเราก็ไระยำเหมือนกันแล้ว เ, เป็นพระเราก็ระยำเหมือนกันม่ก็ข้อม่ว่าจะดีแต่เราหรอกนั่นลาเอียงพระความไม่ชอบกันเรียกสันทาคติ รับยังพ่อความรับยังพ่อความรักใคร่กันเรียกชั้นทาคติรับยังพ่อความไม่ชอบกันเรียกโทสาคติรับยังพ่อเขาเรียกโมหาคติรับยังพ่อกลัวเรียกพยาคติคติสี่ประการนี้ไม่ควรละพืชนั่นพระสมานาพุทธเจ้าเราจะไปหาสันติภาพที่ไหนพระพุทธศาสนาสร้างสันติภาพไว้แล้วแล้วไปยีกออก จากพระพุทธศาสนาะก็มีแต่สันติเวณสันติภัยนั่นเองนั่นนั่นนั่นนั่นขี้หิปฏิบัติทางเล่มนั่นภูมิของพระสวัสดาบันปัญิโตขรมาวาสังบัณฑิตเป็นผู้ครองเรือนนัติป ร, ราปัินาญากาคนผ่านไม่ใช่คนหัวหน้า บัณฑิตตาปัญนาจกะบัณฑิตเท่านั้นจึงเป็นคนหัวหน้านั่นนะถูกไหมเอ้าคนในโลกนะคนในโลกไม่กี่ล้านประมาณห้าพันล้า น, ร 6, รา น, นหารือหกพันล้านมีสินห้าพอยล้านไหม ก็คงจะไม่มีเมื่อไม่มีสินหา อ, อยู่ในตัวแล้วจะตั้งกฎหมายขึ้นกี่หมื่นๆ ล, ล้านๆมันก็ไม่อยู่นั่นน่นแล้วจะหาความสุขมาจากประตูใดนั่นรักรัฐที่อื่นรังเกียจพระพุทธศาสนาเรียกว่าั้นทากติ โกรธให้พระพุทธศา ส, สนาเรียกว่าโทสาคติ์คดพระพุทธศา ส, สนาไม่แตกเรียกว่าโมหาคติถ้าจะเทอดทูลพระพุทธศา ส, สนาก็เกรงจะผิดชาวโลกเรียกโมหาคติอัคติสี่ประการ น, นี้ไม่ควรทะพึษพูดไปนอกกว่านี้อีกทีนี้รักมัน มันจะทำผิดสักเพียงไหนก็าตามปกป้องมันไว้เขาเรียกว่าชันตาคติโกรธให้มันมันจะทําดีสักเพียงไหนก็ไม่ให้คะแนนมันพูดกดให้มันเป็นคนเลวไว้เรียกว่าโทสาคติครบในเรื่องนั้นนั้นไม่เตะ ก, ก็เรียกว่าโมหคติเพราะไม่รู้จักชิดชอบชั่วดีก็เรียกว่าโมหคติปล่อยให้มันมีอิทธิพล พระเก่งมันจะมาฆ่าในทางมืดก็เทียบว่าพยาคติใช่ไหม <laughs> ตอนไหนพระพุทธศาสนาไม่สอนไม่มีเลยแค่เราว่ า, วาตอนไหนไม่สอนไม่มีเลยหัวเขมีพระบรมสารตริกธาตุสอนด้วยยกย่องรับถือเป็นภรรยาด้วยไม่ดูหมิน่นด้วยไม่ไปพึ่งร่วงใจด้วยมอความเป็นใหญ่ให้ ด้วยให้เครื่องแต่งตัวสำหรับสามีทรรยได้รับอำนาจเสนีหแล้วสงเคราะห์สามีด้วยสถานห้าหนึ่งจัดการงานดีสองสองเคราะห์ค่อนข้างเคียงของหัวดีสามให้บพเพิรร่วงใจหัวทีรักษาทรัพย์ที่หัวหามา ไ, ไว้ข้อห้าขยายไม่เกี่ยว้าบในกิจการทางปวงงั้นระว่าเวลามณาองค์ท่านก็อนสอน หนึ่งท่านได้เรียกมาแล้วเร่องท่านตอบสองทำกิจธุระของท่านสามดำรงวงตระกูล 4. ีประพฤติตัวถ้าเป็นคนควนรับทรัพย์มรดกก็ห้าเมื่อท่านรวงรับไปแล้วทำเวรุทิศให้ท่า น, นํันรับท่านลงทุนลงแรงก่อนก่อนเราแล้วหนึ่งห้ามแม้ขัดาเป็นความชั่วสองแนะนำให้ตั้งอยู่ในความดีสามให้ศึกษาเชนตาวิทยา ชีหาภรรยาและสามีที่สมควรให้ห้ามอบทราบภายในสมัยนั่นพระพุทธศาสนาะสอนมดสิ่งไหนพระพุทธศาสนาะไม่สอนไม่มีเลยนุ่งหมก็สอนนุ่งเป็นปฟริมอนทนคือนุ่งยังไงข้างบนเหนือจะดือข้างล่างเพียงครึ่งแค่แต่พวกเราไม่ได้ทำอย่างนั้นเสียแล้ว หอเอาแต่อีพ่ออีแม่มัน <c oughs> ถูกขหมอเอาแต่อีพ่ออีแม่มันแล้วก็บอกว่านางงามชายงามอมผู้ให้คะแนนก็บ้าผู้ทําอย่างนั้นก็บ้าเหมือนกันใช่ไหมนานเข้านานเข้าที่ น, นางเข้านางเข้าก็จะบัญญัติใหม่ออืไม่ต้องนุ่งมันละ่ะเอาเหมือนเธอนักเลย เวล า, าปวดอุจจาะปัสวะมันจึงสะดวกหรือเวลาลามกอื่นๆมันจึงสะดวกนั้นมันจะมันจะต่อกันเข้าไปอีกอถูกไหมหลวงปู่ก็นึกว่าถ้าจะทำอย่างนั้นก็ไปทำอยู่ประเทศอื่นอย่ามาทำอยู่ในประเทศเราเยียดยามพระพุทธศาสานา เกินไปว่าอย่นั้นให้ประเทศป่าเถื่อนประเทศไม่ไวัฒนธรรมธรรมประเทศไทยต้องให้สมชานะของศาสนาพุทธบ้างเราพูดอย่างนั้นเรกไม่มีอย่างอาเชียเลยถูกไหม ม, มันก็เป็นเรื่องแต่ละบุคคลก็จริงแต่ก็เป็นเรื่อง ของประเทศของเราเหมือนกันควรจะตักเตือนกันบ้างก็ไม่ควรส่งเสริมนึกว่าอย่างนั้นหรอกตักเตือนกันด้วยดีทำไมมันจึงจะไม่ฟังพวกนั้นมันไม่ถูกกับกิเลสเขามันมันไปแล้วนะ่ะ <c oughs> เรารูดีเขาโอนเอียงไปทางศาสนาไหนเรารูดี เราวดูดูมณฑยาตเขาเราก็รู้ไม่ต้องเลยนั่งสมาธิดอกคนโกงโกรธคนดีชอบใจถูกไหมนิสัยพาหนะหนุไม่มีไม่ผู้เตือนให้รู้จักถือว่าเอาขุมทรัพย์ให้ราหนสูตร เขาไม่เอาเลยเขาก็โกรธเลยว่าพระ ก, กรรมมุนาวัตติโลโภะทั้โลกเป็นไปตามกรรมมนุษย์สมบัติคืออะไรคือไม่ใช่ได้อยากจะถือศาสนาอื่นไม่ใช่ได้อยากจะถืออยู่ยงคงกระพันไม่ใช่ได้อยากจะถือเรื่องดียามดีไม่เช่ได้อยากละละเมิดศีลห้า ไม่ใช่ได้อยากกล่วงอาบายมุกไม่ใช่ได้อยากจะจองเวรท่านผู้ใดโกรธอยู่แต่ไม่ถึงกับจองเวรไม่ใช่ได้อยากจะคบเม็ดชั่วแต่ไม่ให้กระเทือนเขาไม่ใช่ได้อยากจะจองเวรท่านผู้ใดเคยได้ทำผิดเข้ามาแต่ชาติก่อนก็ให้เลากันไปสักเข้ามาก่อใหม่ก็ให้เลากันไปสักหรือเรา หลงไปก่อเขาใหม่ก็ให้รับกรรมไปสัข้าพเจ้าจะไม่จองเวรผูกใจเก็บกับท่านผู้ใดเลยไม่มีสาบแช่งกับท่านผู้ใดเลยนั่นธมมจันทรเบื้องต้นของพระพุทธศาสนาไม่ใช่ใดค่าขายเครื่องประหารค่าขายมนุษย์ค่าขายสัตว์เป็นเรื่องือนสัตว์ที่ตัวข้าเพื่อเป็นอาหารค่าขายนา้าเมาค่าขายยาพิษการค้าขายห้าอย่างนี้ พระ ส, สุปจิปันโหนไม่ใช่ได้ร่วงละเมิดเลยสิ่งไหนไม่ใช่ได้ร่วงละเมิดสิ่งนั้นก็ไม่หนักไกลความดีคนดีทำได้ง่ายความดีคนชั่วทำได้ยากคนชั่วคนชั่วทำได้ง่ายตรงกันข้ามมอดคู ด, ดมแมลงวันกินง่ายแต่มแมลงพึ่งมันไม่ฝันเลยพระพุทธศาสนา เือเอาสุปฏิปโนเป็นต้นไปทำไมจึงมีโลกีและโลคุตระมาปนไปพระพุทธศาสนาเพราะเอาคำสอนของลัทธิอื่นมาปนไปพระพุทธศาสนาก็มีทั้งโลกีและโลภุตระยุ่งเยิงกันสันทิทิโกเห็นเองในทางพระพุทธศาสนาก็หมายสุปฏิปโนเป็นต้นไป ถ้าหมายเอาอันอื่นก็ฟั่นเฟือมากพระบรมศาสดารับรองคนที่คนเชื่อได้มาพูดขึ้นได้ทำสามอย่างหรือสองอย่างในอนยศก็ดีก็คือเชื่อแต่พระสวัสดาบัณฑ์ตระกูลอันสงสมมติเราเป็นเสขะมาบริโภคต้องปฏิเทศนิยะก็หมายเอาพระสวสดาบันเท่านั้น พระสวัสดบาลในข้างพุทธการกุงราะคือมีสิบเอ็ดละหุดมาฟังเทศท่าวเดียวได้สิบเอ็ดละหุดนละหุดนหนึ่งมื่นหนึ่งคนถึงพระสวัดิบาสิบเอ็ดละหุดก็เป็นคนแสนกับหนึ่งหมืนใช่ไหมส่วนที่อื่นยังอโขออีกไม่ได้พูดพระสวยสดิบันทั้งนั้นรกครอง คารวาสก็ดีทำแต่ไรบราารบาตก็ส่งต่อพระนิพพานหมดมันขึ้นอยู่กับบารมีแก่กล้ามาเลี้ยหรือไม่เท่านั้นใครเรียนน้าโมจบน้าโมไปว่านอบน้อมน้าโมพระสวดาวันนอบน้อมตนไม่แท้ดายอยากกระถือศาสตราอื่นนอบนอบเขารับไม่ร่วงละเมิดศีลห้าไม่ร่วงอบายมุก จะตุกะกรรมกิเลสถือกำเครื่องสมองสี่อย่างประนันิบาททาชีวิตตัดให้ทุกล่วงอธินาทานถือเอาสิ่งของถือจาของมาให้ด้วยอาการแห่งกโมยกาเมสวิชชาจารดพฤติดในกามตลอดจนถึงเกียรติค้านทํำงานมีโทษหกไม่ให้อ้าวว่าหนาวนักร้อนนักเย็นนักสายนักหายนักเหนียวนักเข้าอยู่เย็นแล้วแล้วไปทรงาน นับแต่จตุ ก, กั์กรรมชิเดศไปจนถึงเกียรติข้านทำงานงานเมโทษหกนั่นคือภูมิของพระโสดาบันทั้งนั้นพระมหาสมณะเจ้ากรมพยาวชิยาละมโรรสท่านเอามาเรียงไว้แล้วสำหรับผู้ราชิขาออกไปจะได้ปฏิบัติตามอันนั้นเพราะผู้บวชมาบวชเพียงสี่เดือนเป็นพื้น พอราชีกขาแล้วก็จะได้ปฏิบัติตามที่ิปฏิบัติจะเรียกว่าพุทธมามะกะธรรมามกะสังฆามะก ะ, มม ะ, กะได้เต็มภูมิจะเจริญรุ่งเรืองก้าว ห, หน้าไปสู่พระนพานสุปฏิปโนเท่านั้นจะก้าวหน้าไปสู่พระนพ涅槃โดยง่ายเมื่อถึงสุปฏิปโ น, นแล้วอุโชยยะ สามีจิตก็เปิดประตูไฟเองคือประตูสติประตูปัญญาประตูจิตประตูใจจะเห็นธรรมบานหน้าเหมือนพระจันทร์ในวันข้างขึ้นแต่ไม่กลับมาแลมอีกถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็เป็นโลกิยะเก ต, ตนาโลกิยะศีลโลกิยะสมาธิโลกิยะปัญญาเอ้า ใครเรียนน้โมจบก็พัฒนหารเรียนน้โมจบใช่ไหมหนะ้โมแปลว่านอ้นอมนอ้อมน้อมน้อมพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระยะโสมเจ้าแล้วก็วัดปฏิบัติจนไม่มีโรคจนไม่มีโกรธจนไม่มีหลงจนไม่มาเกิดแก่เก็บตายอีกเรียกว่าเรียนน้โมจบใช่ไหมทุตโธคําเดียวก็ส่งต่อพระนิพพานทุตโธรไม่พามาโรคไม่พามาโกรธไม่พามาหลง ธรรมโอทรงไหวซึ่งไม่โลภไม่โกรธไม่หลงชังโคแปลว่าปฏิบัติเพื่อไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนั่นอธิบายถึงปริธารได้หมดคําสอนของพุทธศาสนาจะอธิบายย่อให้พิจารณ์ก็ไม่คัดข้องจะอธิบายพิจารณ์มาให้ย่อก็ไม่คัดข้องถ้าอธิบายมากก็เรียกว่าทีวัตหรือมหาวัตรถ้าอธิบายขนาดกลางนีก็เรียกว่ามัธชิมาวัตรถ้าอธิบายขนาดย่อเขาเรียกว่าจุนวัตร อธิบายลงเป็นหนึ่งก็เรียกว่าเอกานิบาตคือทำอันมีบทเดียวมโนภูพัพงขมาธํามามโนเสท่ามนโนมายาทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่นักศีลตัดศีลศีลก็ลดลงมาหาในปัจจุบันสมาธิย่อนลงมาในหาปัจจุบันปัญญาลดย้นลงมาในหาปัจจุบันเรียกว่าสังขโหย่อนลงมาไอสังขโหมันได้ย้น ผู้ปบาลามีแก่กล้ามาแล้วพระบรมสารีรากราเทศมากเทศบทเดียวเท่านั้นเช่นพระพาหิยะบาลามีแก่กล้ามาแล้วแต่ข้าพระเจ้ากัตถะเรื่องผลักบันไดทิ้งท่านมหาครองข้าใจดีไปรบกวนพระบรมศาสีาเทศนาแต่พระบรมศาสดาพอมองเห็นแล้วก็รู้ด้วยพระหาดีไทยขององค์แล้วของท่านแล้วของท่านแล้วบอกว่า โยมคนนี้จะสําเร็จพระนารายณ์ในวันนี้เพราะพระบรมศาสตรามียานเล็วนักไม่มีใครจะเสมอเหมือนได้แม้พระอนุรุทธะจะเข้าฌานทันก็ตามแต่ก็ไม่เชี่ยวพระบรมศาสตราพอพระพรมศาสตรามองเห็นโยมคนนั้นก็เข้าใจชาดแท้ว่าเขาจะสําเร็จปฏิทัมภิศาสีในขณะนี้โยมคนนั้นกอดกราบทูลพระพรมศาสดาว่าเจ้าขอฟังเทศพระองค์ เออเรากำลังบิณฑบาตอยู่ทำไมจึงพูดอย่างนั้นเพราะพูดไปตามกรอนของมันกรอนพาไปเพราะมีพระตามหลังอยู่บิณทบาตอาจารย์ทรู้แล้วพูดให้เป็นสองธรรมกเพื่อให้พระได้ฟังเข้าใจบ้างเ อ, อ้าบางทีองค์าเน็จพระบรมศาตราสิ้นลมปานเดี๋ยวนี้ก็ได้บางทีกล่าชสิ้นลมปานเดี๋ยวนี้ก็ได้พระเจ้าข้าเออถ้าอย่างนั้นก็ไม่ยาก เป็นแต่สักว่ารู้เป็นแต่สักว่าเห็นครับพอแล้วนะแต่ขา้นี่ยปฏิสัมพันธ์สี่ด้วยนั่งเพราะเห็นได้เพราะดอกบัวมันจะบานแล้วพอได้รับรัศมีก็าบานใส่เลยนั่นเพราะว่าเรามีแก่ก้ามาเนี่ยแต่พบก่อนเหตุ น, นั้นจึงไม่ควรประมาทปุ๊บเพจักตาปุญญตาเพืดได้ทําความดีวันในปางก่อนในแต่ชาติก่อน ดอกบัวชีเราไม่มีแต่ข้างพุทธการเดี๋ยวนี้ก็มีดอกตูมก็ตูมเต็มภูมิดอกบานก็บานเต็มภูมิดอกใต้น้ำก็ใต้น้ำเต็มภูมิดอกเสมอหน้ามก็เสมอหน้ามเต็มภูมิมนัม่มีอยู่ไม่มีแต่ข้างพุทธการทุกวันนี้ก็มีอยู่ดอกบัวทาไมจึงว่าพอแล้วเป็นที่ศักว่ารูปเป็นที่ศักว่าเห็นครับพอแล้วจงอธิบายดูหรูพอให้เข้าใจบ้าง เราก็จะอธิบายแบบบ้าบอๆให้ฟังคำว่าพอแนวครับหมายความว่าไม่ยึดถือผู้รู้ว่าเป็นเราเราเป็นผู้รู้ไม่ยึดถือว่าใจเป็นตนตนเป็นใจเป็นแต่สักว่ารู้เป็นแต่สักว่าเห็นก็เลยไม่มีทิฏฐิมานะอยู่ในที่นั้นอัตวาทุปาทานความเห็นว่าทะว่าตนว่าตัวก็แต่กระเจิง อวิชาตัญหาอุปทานกรรพบฆติชรามนันนะอะโสกปฏิเทวทุกโทมนัสอุปายาตก็ไม่ต้องเรียงแบบก็ไม่ต้องสาวไปสาวมากับพระ อ, อุปาทานแตกแล้วอัตวาทุปาทานเป็นจอมพลของอุปาทานทั้งหลายในพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนามีอนัตตาเป็นธรรมอันลึกซึ้งกว่าเพื่อนเมื่อเข้าใจทำอนัตตารมแล้ว ก็ไม่ถือมันในสิ่งทั้งปวงอัตวาทุปปาทานกามุปปาทานถือมันในกลามทิฏฐุปปาทานถือมันในทิฏฐิและความเห็นชีระพัตุปาทานถือมันในฉินพรตอัตวาทุปปาทานถือมันว่าทะว่าตนวมาตัวแต่กระเจงเิงแล้วยอุปท า, านอื่นๆก็แตกไปณทีนั้นเองวิญญาณปฏิสนธิก็ดับไปณทีนั้นเองวิญญาณดับไปก่อนนามโลกก็ดับไปณทีนั้นเอง ทบใหม่ก็ไม่มีก็บอกว่าพอแล้วครับพอแตกฐานนี่ยปฏิสัมพทาสี่เป็นพระอรหันต์ปฏิสัมพา 4, ทาสี่ด้วยคําเทศคําเดียวเท่านั้นแหละโยมอีกเช่นด้วยนั่นนั่นนั่นพระบาลีแก่กล้ามาแล้วอัฐปฏิสัมพทาแตกฐานในอัฐในธรรมด้วยนิรุตติปฏิสัมพทาแตกฐานในในิรุตด้วย ปฏิภาณปฏิสัมพันธ์แต่ฉันนี่ยปฏิภาณด้วยธรรมะปฏิสัมพันธ์แต่ฉันเนี่ยทำอีกด้วยเรียกว่าจะอธิบายความย่อให้พิจรารณาก็ไม่ขัดขอ้อจะอธิบายความพิจรารณามาให้ย่อหรือขนาดกลางหรือขนาดเอกนิบาตก็ไม่สงสัยอธิชิตาอธิศินชิขาชิขาคือศินยิ่ง อธิจิตะสิกขาสิกขาคือจิตยิ่งอธิปัญญาสิกขาสิกขาคือปัญญายิ่งรวมพลในปัจจุบันเลยแตกก่กรเจิงเลยอมหาสติมหาปัญญาเหนือความหลงแล้วความหลงก็ตั้งอยู่ไม่ได้ข้ามทะเลหลงไป ร, รัดนิ้วมือเดียวอุปทานทั้งสีก็แตะกระเจอไม่ต้องเรียงแบบทําไมพระพรมศาสตรา จึงเรียงแบบต้องพูดทั้งสูงด้วยท่านมหาจึงจะฟังออกถ้าพูดแต่ต่ำท่านมหาก็ขี้เกียจฟังเพราะท่านมหาได้ผ่านมาแล้วสุชิกขีโตได้ศึกษาดีแล้วกินตามะตามะยัะปัญญามาแล้วมีทรัพย์ภายในแล้ว สุตมยะปัญญากินจมยะปัญญาภาวนามยะปัญญาก็อาศัยสุตะมยะปัญญาเป็นหลักสุตมยะปัญญากับสัทธาความเชื่อก็มีความหมายอันเดียวกันกับสมาธิเตก็มีความหมายอันเดียวกันมรแปดก็รวมเป็นเชื่อแปดกลีวมหาสมาธิเตถูกแล้วก็มหาสมาสมาธิ ก, กลมกลืนกันอยู่ในตัว ปัจจุบันพระสวัสดิบาปัจจุบันพระสักาคามีปัจจุบันพระอนาคามีปัจจุบันพระอรหันต์พระอรหันต์เรียนปัจจุบันจบแล้วทั้งปฏิยตัติปฏิบัติปฏิเวทปรุงกลืนกันอยู่ศีลศีลาะแปลว่าศีลาะแปลว่าศปลแปลว่าหิ น, หนทําให้หนักในปัจจุบันแล้วสมาธิทั้งมันในปัจจุบันแล้วปัญญารอบรู้ในปัจจุบันแล้วนั่น ลงมาฮะเอกนิบาตเลยข้ามทะเลหลงไปสักเยที่พระบรมศานาเรียงปฏิจจสมุปปบาทก็เพราะเพื่อให้สมภูมิและเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจด้วยอวิชชาดับสังขารดับวิญญาณดับนามรูปดับ ยตนะปัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานพบชาติชราบรรลัพชวปกกระเบริเทวทุกโทวนัตอุปาญาตเป็นอันว่ากองทุกข์ทั้งมวลดับด้วยประการอย่างนี้สาวไปสาวมาก็เชือกเส้นเดียวนั่นเองต้องการขึงไปยาวเหยียดเนี้ยจะต้องการตามปลายมาหาต้นตามต้นไปหาปลายก็เชือกเส้นเดียวนั่นเอง เรียกว่าเอกานิบาตทำมีบทเดียวนิบาตก็แปลว่าบทถ้าปรมัตก็มัดเข้าที่กายว า, ายาจใจพูดเป็นติกานิบาตพูดเป็นทุกขานิบาตก็มัดเข้ากายกับใจพระถ้าสูตรก็สูตรขอกายกับใจพระปรมัตก็ปรมัตเข้าที่กายว า, ายาจใจมีพูดเป็นติกานิบาตพูดเป็นสก็อริยสัจส หรือทาทีสงองก็หมวดสีได้พูดเป็นห้าก็ขันห้าพูดเป็นหกก็ตาหูจะมุนเล่นกายใจพูดเป็นเจ็ดก็สัตตาวาดเจ็ดหรือเอาไปในหาธรรมเจ็ดอย่างหรืออริยะทราบเ็พูดเป็นแปดก็อัดถังขี้กมะ้าแปดหรือเรากระทำแปดพูดเป็นเก้าก็มรสีพผลสีนิพพานหนึ่งออพูดเป็นสิบ ก, ก, ก, ก็กุศลกามบทิออุศนกามบทสิบ พูดเป็นทีปเอ็ดก็เอากาทัสกานิบาตพูดเป็นทีปสองก็ทวทัสาตารังทำแต่ละบิดะบาดก็มีครบไตสิกขาหมดพระบรมศาสต า, าเทศธรรมจากกระประัศนาสูตรตครบไตสิกขาไหมก็ครบหมดอัดตังชิโกโมโคโวเสยยะทีดังสมารถถิติสมาทรถกบว า, าจากรกมันตัวอาชีววาน ย, ยมสติตสมาธินะั้น เทศอันนี้จังก็ครอบใจชี้ขาแล้วเห็นอันนี้จังชัดก็เห็นทุกชัดสัมพยุตกันอยู่ด้วยก็เห็นอนัตตาชัดสัมพยุตกันอยู่ด้วยพระัญญาโกณทันยะได้ฟังธรรมเทศนาแล้วปา ร, ราชิกสียังไม่มีเลยสังขาที่เสทีสามก็ยังได้บัญญัติอ น, นุยตสองยังไม่บัญญัตินิสกีปัจตี30ยังไม่บรญยัติ ก็เข้าใจชช้ขาแล้วยกอัฐถังคิโกมัคโคขึ้นมายกกาเมสุกามาสุขันิกาโนโยโกก า, มาเมตตกพยาบาทเวตกวิหิงสาเวตกยกขึ้นมาในตัวแล้วนะพะยกกามาสุขันิกา โ, โากาากนาโยกอัตตกาอัตตะกีลาันทายโยกนั่นก็ตัดเข้าในโทสะจ๊ะ าาการมาชกขันหรการนิยมจัดเข้าในกามสักนะตามเบาลงแล้วโทษะก็เบาลงไปในตัวก็ถึงปัสจาบันนั่นปัญหาทาั้งหลายจะเกิดขึ้นเราได้ไปอ่านพบในหนังสือเออทัอ้งธรร ม, ทำทำมาจักรสุคือดวงตาดวงตาปัญญาที่ท่านเขียนมานั่ค่ะ มีปัญหาทุกเถียงกันอยู่ทุกวันนี้ก็บางท่านก็บอกว่าพระนิพานเป็นอัตจาอัตะหิอัตโนนาโถตนเดินเป็นที่พึ่งของตนเอาอันัตมาอ้างเอาบาลีอันัตมาอ้างฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าพระนิพานเป็นอนัตตาก็าพระพุทธศาราสนะอนัตตาลึกกว่าเพื่อน ถ้าคบมาตแตกน้วก็หลือเจอเป็นอุเฉท ท, ทิติขาดศูนย์ไปโดยประการทั้งปวงแต่เราก็ลองเอยอยู่ว่าสัพเพธรมมาอนตาตัตติทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาก็พระมหาสมณะเจ้าท่านอธิบายให้ชัดแล้วของเท็จความอยู่งายขึ้นให้รู้จักแล้ว พวกเราก็ไม่ควรไปยุ่งเหยิงกันพระมหาธรรมนาเจ้าแตกช้านอัดในธรรมมากองค์หลวงปู่มั่นเคารพมากใช้คำว่าพระองค์องค์อื่นก็แตกช้านั้นกันแต่ก็คงไม่เท่าพระมหาธรรมนาเจ้า อัฏะพริที่สมเภาแตกฉานอัดในธรรมะท่านอธิบายไม่มีสิ่งที่จะแทงเลยขอให พ, อพระธรรมพิจารณาดูเถิค่อยพระวินัยพิจารณาดูเถิด อ, อันนั้นเป็นธรรมเนียมของนักป่าไม่ยืนยันแต่ตนคนเดียวให้สิทธท่านผู้อื่นพิจารณาท่านอธิบายธรรมะน่าฟังมากไม่ใช่ท่านไม่รู้ท่านรู้แล้วให้เกลียดท่านผู้อื่น ขอให้พระวินัยทอนพิจารณาดูถือขอให้นักธรรมพิจารณาดูถือดังนี้สัพเพธรรมาอ น, านัจติอ้าวถ้าให้เราอธิบายเราก็ไม่อ้างอัตถคถาเมื่อทําฝ่ายเกิดฝ่ายดับไม่อยู่ในวงแขนของท่านเพื่ออะไฝ่ายไม่เกิดไม่ดับก็มาอยู่ในวงแขนของท่านเพื่ออรเป็นทำอยู่แต่ไหนไหใดมาแล้วถ้าไม่มีอยู่พระสมุทรพระพุทเจ้าก็ไม่สามารถรู้ทำได้ อัตตก็มีอยู่ก่อนอนัตตก็มีอยู่ก่อนแล้วพระจะมาพระพุทธเจ้าจึงสามารถมารู้ทำได้ให้เราตอบแล้วก็ตอบง่ายๆอนัตตาฝ่ายเกิดดับก็คือสังขารและกองทุกข์ทางพวงที่มีใจครองและไม่มีใจครองสัพพะสังขารทางพวงเรียกว่าอนัตตารามฝ่ายเกิดดับพราในพาน เป็นอนัตตาทำฝ่ายไม่เกิดไม่ดับเท่านี้ก็พอแล้วเพราะไม่มีใครเป็นเจ้าของพระนิพพานใครเป็นผู้เสวยพระนิพพานก็พระนิพพานเท่านั้นเสวยพระนิพพานไม่เป็นหน้าที่ของสังขารจะไปกา้าวไกรจะไปอัดอือ้อบใครเป็นผู้เสวยสังขารก็กองทุกเท่านั้นเสวยสังขารไม่เป็นหน้าที่พระนิพพานจะมาแย่งวกคืนมาเสวยอือก็เป็นอนัตตาทำทั้งสองฝ่ายเอเอ อนัตตาธรรมทุกข์กับสมุทัยเป็นอนัตตาธรรมที่ควรเว้นและควรละเนี่ยควรพิจารณาให้ยิ่งอนัตตามากกับนิโรธเป็นอนัตตาที่ทำให้เกิดให้มีและทำให้แก้งมันก็หมดเรื่องเท่านั้นมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยใครจะเจงจักเพียงใดก็ตามทำพระพุทธศาสนาให้เสื่อมไม่ได้ถ้าหากว่าทาให้เสื่อมได้ ครูทั้งหกก็ทําให้เสื่อมได้แล้วตั้งแต่ปฐมอาการพระเทวทัตก็ทําให้เสื่อมได้แล้วถ้าทําให้เสื่อมได้อ๋อนั่นถ้ามานพก็ทําให้เสื่อมได้แล้วถ้าทําเสื่อมได้เอ่าพระพุทธและพระเทวทัตก็ทําให้เสื่อมได้แล้วเหงายังหนักกว่าทุกวันนี้อืมเอ้าถ้าผู้ทําผิดถ้าผู้ทํา ปาราชิกสีไม่มันมันไม่เป็นโทษมหันต์จะโทษพระพุทธศาสนาก็ไม่เต็มใช่ไหมถ้าผู้ทําผิดมันไม่ผิดพระพุทธศาสนาก็ไม่เต็มที่พระพุทธศาสนาเต็มบริบูรณ์คําสอนเต็มบริบูรณ์ผู้ทําผิดมันก็ผิดจริงผลของกรรมก็าตามสนองจริงเหตุนั้นพระพุทธศาสนาจึงเต็มภูมิอยู่ทุกยุกทุกสมัยทุกการทุกเวลาด้วย มีผู้ทำพระพุทธศาสนาให้เสื่อมได้หรือไม่แล้วก็จะถามย้อนเข้าไปว่ามดโลกบ้วนน้ำลายขึ้นฟ้าถึงไหมเมื่อยังเป็นทิวแถวกันดูหรูบ้วนน้ำลายขึ้นฟ้าถึงไหมถ้าผู้่อใดถ้ามดโลกในบ้วนน้ำลายขึ้นฟ้าถึงฟ้าและฟ้าก็รับไว้ด้วยเพราะก็มีผู้ทำลายพระพุทธศาสนาให้แตกเอา้ามีผู้ มีกองทัพบวชนำลายขึ้นฟ้าไม่ได้นะใช่ไีมยอดลงมาออกมีผู้คว้างปลาคว่นใส่หินดานได้ไหมหน้าผาได้ไหมไม่ได้คว่างไกลไม่ถึงคว่างใกล้นักมวยเอกก็รบไม่ทันใช่ไหมนั่นเอา้ายอดลงมาก่อนนั่นอีกต้นเสานี่ใครอยู่นี่สามารถคว่างคว่นตอกซิว กว้างพ้อนใส่ต้นเสาได้ไหมกว้างไกลมันไม่ถึงให้มากวางใกล้ๆมันจึงถึงนั่นมันก็นักมาเอกรบไปทันเหมือนกันผู้ใดลงลงลุยลุมม่านเพลิงมันก็ต้องไหมแต่คนนั่นคนอื่นเขาไม่ลงลุยจะไปไหมเขาทำไมนะหมดไตโลกรธาดเนยก็ไม่มีใครจะทำลายพระพุทธศาสนาได้หมดไตโลกรนธายจะเป็นพาราชิกหมด พระพุทธศาสนาก็ไม่เสื่อมเป็นของจริงพระมีอยู่พระพุทธเจ้าองค์มาองค์หน้ามาก็มาตั้งรูอันเดิมถ้าหากว่าพระพุทธศาสนาเสื่อมแล้วพระพุทธเจ้าองค์หน้ามาก็ไม่มีสิ่งที่จะรูสร้างบารมีเต็มตื่นมาแล้วนั่นเหตุนั้นจึงเสื่อมไม่ได้ที่เสื่อมได้ที่สําคัญว่าเสื่อมก็เป็นยุคเป็นสมัยของผู้ปฏิบัติพระพุทธศาสนาร ล, ลอยๆลงต่าง่าส่วนพระพุทธศาสนา ย, ยังเต็มอยู่อันนี้สัพย์สีก็บริบูรณ์ประจำโลกอยู่ทุกยุค ทุกสมัยทุกการทุกเวลาด้วยไม่รบเรือนไปทางใดใครจะเห็นหรือไม่เห็นก็ไม่ขึ้นอยู่กับผู้เห็นและผู้ไม่เห็นเป็นของจริงของมีอยู่อย่างนั้นไม่รบเรือนไปทางใดเลยทั้ฝายเกิดฝายดับก็เกิดก็ดับอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนทัฝ่ายไม่เกิดไม่ดับก็ไม่เกิดไม่ดับอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืน ใครจะรู้ตามเป็นจริงหรือไม่รู้ตามเป็นจริงก็ไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้ตามเป็นจริงแล้วไม่รู้ตามเป็นจริงด้วยข้าพเจ้านี้แหละเป็นพระนิพพานถ้าใครไม่ไม่ไม่ไม่มาลู่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะให้มันมาเกิดแก่เก็บตายอยู่ในวัฏสงสารนี่เองพระนิพพานก็มาได้ตั้งกฎว่าอย่างนั้นข้าพเจ้านี้เองเป็นฝ่ายสังขารเกิดดับอยู่ฮะแต่ว่าไม่ได้ถ้าใครมาหลวงข้าพเจ้าว่าเป็นของกีรังย่างยืนหรือเป็นของที่อย่างหรือเป็นของสุข หรือเป็นของส่วตนข้าพเจ้าจะให้มันตายวนเวียนอยู่ในวัดตาสองสารอันนี้ไม่ให้มันเข้าสู่พระนิพพานเนะ่ยทำท่างหลายก็ไม่ไสาบแช่งไหวเป็นจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนเหตุนั้นพระบรมศราสดาจึงยืนยันว่าข้าพเจ้ารูกสังขารตามนจริงของสังขารแต่ข้าพเจ้าไม่ติดอยู่ในสังขารข้าพเจ้ารูกพระนิพพาน ตามเป็นจริงของพระเนรพาลแต่เราไม่ติดอยู่ในพระนรพาลเรารู้สมุติตามเป็นจริงของสมุติแต่ไม่ติดอยู่ในสมุติเรารู้วิมุดตามเป็นจริงของวิมุติแต่ไม่ติดอยู่ในวิมุติถ้าสมุติและวิมุติไม่มีอยู่ก่อนเราก็ไม่สามารถรูถ้ทำได้ถ้าสังขารทำและวิสังขารทำไม่มีอยู่ก่อนเราก็ไม่สามารถรู้ธทำทั้งสองอย่างนี้ได้เหตุนั้นเราจึงเขารับธรรมน้อยสำคัญตัวว่าอยู่เหนือธรรมเลยธรรมฝ่าย กิเลสเราก็เคารพเพื่อเว้นถ้าไฟไม่เกิดไม่ดับเราก็เคารพเพื่ออรู้ตามเป็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริงรู้พ้นตามเป็นจริงถ้าเพื่อทีเจ้ามากกว่าร้อยโกรธแต่อสงไข่ก็มากกว่าอาสงไข่อสงไข่แล้วอสงไข่กับแต่กลับก็มากกว่าอาสงไข่อสงไข่กลับแล้วเป็นคําสอนอันเดิมทั้งนั้น ไม่ได้ลบล้างพรบกันเลยพระพุทธเจ้าองค์ไหนมาก็มาเทศอนุญาตสัตยินี่เองอัตทั้งคิโกโมโกนี่เองเป็นปฐมเทศนานั่นนั่นนั่นนั่นั่นนันนั่นเหตุนั่ น, น, น, น, น, น, น, น, นจึงเขารบพระพุทธศาสนาไม่จืดจางเลยมิชาพมโรของพระพุทธศาสนาไม่ลําบากมิชาเทวโลกพมโร เลื่อมใสพระพุทธศาสนาไม่จืดจางเท่านั้นก็ได้วิชาสุขติแล้วทําไมจึงมีผู้เลื่อมใสพระพุทธศาสนาน่อยนะักพระบารมียังอ่อนอยู่พระพุทธเจ้ามาแต่ละพระองค์พระองค์งคมาเป็นยุกยุคยุคย ก, ก, ก็มาเทศนาเอาได้เพียงเขาโคเท่านั้นส่วนขนโคมอบไหวให้พระพุทธเจ้าองค์ อนาคตอยู่ในตัวขนเขาโคก็นับตังโกดโกดนับตังล้านลานเทศนาแต่ละข้างละข้างได้นับตังโกดก็มีเช่นประเทศดาวดึงเป็นต้นโกตีชตาศาสตร์เสุจั ก, กวาลีสุเดวต า, ทาเทศรัตนสูตรก็มาฟังบรรลุมรคนิพานตั้งหลายโกด เทศในดาวดึงก็ต้องหลายโกรธ น, นแต่ถึงอย่างนั้นก็เทียบใส่เขาโคเท่านั้นส่วนคนโคก็มอบวว่าให้พระพุิเจ้าองคหน้าเ อ, อ้ามีปัญหาสอดเข้ามาว่าอีกเพื่อให้เข้าใจชัดผู้เกิดในคันในไข่ในเท่าในไข่และเกิดพุทธขึ้นทุกท้วนหน้าทั่วทง้งไตรโลกะสิ่งที่มีวิญญาณครองสิงจะได้มาเลื่อมใสพระพุทธศาสนาหมดจึงจะออกพระเนพานได้ พ, พารา涅槃มีแต่ในพระพุทธศาสนาเท่านั้นเนือเท่านอกนั้นอย่าเอามาเอ่ยเลยในมหาปรินิพานสูตรสุพะทะประกาบทูลพระพรมศาสนาและที่อื่นถ้าเขาไม่สมาดยัญญาวิธีของเขา เขาจะถึงชั่จุบันโอชั่วยายะสามีบ้างหรือไม่พระเจ้าข้าอย่าเลยอย่าเลยอย่าเลยเราไม่พูดเข้าข้างตัวเราพูดเข้าข้างทำถ้าทําไม่มีอยู่ก่อนเราก็ไม่สามารถรู้ทําได้ชั่จุบันโอชั่วยายะสามีกิมีในศาสนาพุทธเท่านั้นเหลือดังนั้นอย่าเอามาเอ่ยเลยพม ร, รมาสตรพูดเพียงเพียงเพียงเพียงเพียงเพียงเลยชี้แนวทางแทันเตเตปริษาชุยวิสารธาเขาไม่จักกังปวัตเตนติ พระบรมศาสนามันขั้นข้ามเลยพูดตามเป็นจริงไม่เป็นอุปาทานยืนยันตามเป็นจริงไม่เป็นอุปาทานยืนยันของไม่เป็นจริงจึงเป็นอุปาทานนั่นเหตุนั้นจึงมีพระพุทธเจ้าเป็นยกยกยกยกยยกยเพื่อคนรือสัตว์ออกจากวัตฏะสงสารก่อนที่จะประพฤติสร้างวารมีเป็นพระสมณะพระพุทธเจ้าก็มีพุทธจริยาสามยาตตะจริยา ทรงมาพเพื่อเป็นพระสมานะ พ, พุทธเจ้าโลดพุทธะจริยาทรงสร้างวาเรมีเพื่อเป็นพระสมานะพุทธเจ้ายาตตะจริยาทรงเพื่อสร้างวาเรมีสงเคราะห์ยาโลตตะจริยาทรงสร้างวาเรมีเพื่อสงเคราะห์โลกมีพุท ธ, ธจริยาสามเจตนาสามอย่างของพระองค์ ก็สมเกตตนาแต่ลพระองค์พระองค์จึงยอมเข้าส <si ู่พระนิพพานเป็นทุกยุคลุกยุุกยุคลุกคลุกหลังมาก็เทศอันเก่าผิดกันแต่ว่าศรัทธาที่กะปัญญาที่กะวิทยาที่กะเท่านั้นส่วรทำอันจะทําให้รุดให้พ้นก็มีความหมายอันเดียวกันทำเทพพระองค์เทศมากกว่าพืชก็มีขั้นห้า รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือขันธ์ห้าเทเสรูปกับนามเท่านั้นกรรมฐานในทางพุทธศาสนาก็มีสองกรรมฐานย่นลงเพ่งรูปเป็นอารมณ์ก็รูปกรรมฐานเพ่งอรูปเป็นอารมณ์ก็คืออรู ป, ปรกรรมฐานถ้าตายคารู ป, ปรกรรมฐานก็ไปเกิดไปภพมโลกที่มีรูปถ้าตายคาอารูปกรรมฐานก็ไปเกิดอรู ป, ปรภพถ้ายังไม่มียาณพ้นทุก รูปประธาต์ก็ว่ารูปประธรรมก็ว่ารูปประขันก็ว่ารูปประโลกก็ว่ารูปประสังขารก็ว่ารูปอินทรีย์ก็ว่าเกิดขึ้นแล้วก็แปรเวลี่ยนรดับไปนามโลกก็ว่านามธรรมก็ว่านามขันก็ว่านามะธาตุก็ว่านามะอินซียก็ว่าเกิดขึ้นแล้วก็แปรเวนและแตกสลายไปเหมือนกันนั่งสังขารใดเกิดขึ้นในอดีตสังขารนั้นจะดับในอดีตสังขารใดเกิดขึ้นในอนาคต สังขาร น, นั้นจะดับในอนาคตสังขารใดเกิดขึ้นในปัจจุบันสังขาร น, นั่นจะดับใ น, ในปัจจุบันคำพูดใดที่พูดก่อนว่ากีสังขาร น, นั่นก็ดับไปแล้วกิตติสังขารที่นึกขึ้นก็ดับไปแล้วหรือกายสังขารอมหายกาเขาออกก็ดับไปแล้วล่วงไปล่วงไปล่วงไปไม่มีอะไรจะตั้งอยู่เลยอันนี้จังทุกขรังอนัตตาเป็นผู้ปกครองโครคไข้หรือไม่ ได้ใในลกล้วนอันิจังได้ในในโลกล้วนทุกขังได้ในในโลกล้วนอนัตตาเดาสงสัยเลยนาทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยเห็นอันิจังชัดในปัจจุบันอันิจังในอดีตอนาคตจะไปสงสัยทำไมเห็นทุกชัดในปัจจุบันทุกในอดีตอนาคตจะไปสงสัยทำไมเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนในปัจจุบันชัดสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนในอดีตอนาคตจะไปสงสัยทำไมเห็นของไม่สวยไม่งามในปัจจุบันชัด เขาไม่สวยไปงามในอดีตอนาคตก็ไปสงสัยทำไมถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีท่านพูดอะไรจะข้ามทะเลหลงไปได้ทำไมทาไมหลวงปู่จึงพูดใส่อันนี้เพราะหลวงปู่เป็นโรคหัวใจตีบเขามาให้พูดดังแต่ถึงอย่างนั้นหลวงปู่ก็ลืมตัวพูดดังเดี๋ยวดีๆเนี่นท่านน่าเพิ่มยาแค่ก่อนยาแก้ตายหงนี่ยาแก้ตายหงนี่นี่ยาแก้ตายหง สนใจในธรรมช น, นะความสนใจทั้งพวงเป็นห่วงบุทธิดาเกรงว่าจะปฏิบัติไม่ชอบธรรมพระบรมศาสตราเป็นห่วงพระราหุนเกรงว่าจะหมุนไปทางโลกจึงเอามาบวชซะถูกไหมผู้รู้อยู่ในอำนาจวาสนาของใคร เขายืนยันว่าเป็นสมบัติของใครเขาก็ไม่ยืนยันก็มีแต่ความหลงไปยืนยันว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลแลว้วกวนเวียนอยู่อปันจะขันใจไม่มั่นยืนยันว่าตนก็ไม่พ้นยาพิษประมามาเผากิดงูเขา่าถือเอาเป็นเหตุตกในเขตปั้นน้ําให้เป็นตัวมัวมาหลายกลายเป็นอดีตขวางกีดอยู่ผู้รู้อนาคตรอบให้หมดอนัตตาทำกรรมจะไม่นํำติดต่อก่อภพ ใจถูกลบลงถึงธรรมว่าไม่อยู่ห่างทางไปอนิพาถ้าเชี่ยวชาญเดินมักควิถีต่อติดดีไม่มีวันเว้นใจก็เด่นเห็นธรรมไม่ตายจะบรรยายไปหลายก็ลนหลากก่อนจะมาก็ออกจากกันเดียวถ้าหลงอันเดียวก็เที่ยวอยู่ตรงสารอยู่นานเนิ่นช้าปัญญากราหันหาต้นเหตยุย น, นิเทศเอกกิตธรรมไม่ร่วงร่ำไปหาทางอื่นก็ไม่ตื่นในการวหารการใดๆไม่ใช่ตัวตน จะดื้อด้นไปได้ทางไหนหายสงสัยว่าไปหรืออยู่ปัญญาสู้กู้ไว้ความหลงปรงภาละสะสางตัวอิดมดนิเทศจะกล่าวบัญญัตผู้รู้ชัดก็หากเห็นเองคนอื่นเพ่งว่าเป็นว่าดีหรือชั่วนั่นเป็นตัวสมบัติโรกานำมมากล่าสวสาว้เพียงนี้พิษหรือถูกผูกไว้แก่ทำผู้ร่วงร่ำผู้รู้ร่ำจงให้อภัยเพราะพระพุธธมมทาพธาสนาพระพทธเจา พุทโธโมสังโฆเป่ามากไม่ได้ขี้ฟันมันจะใส่คนจะขู่ใส่ป่าป่ามากไม่ได้กินฝากมันจะไปอาระสกานี่ไปพุทโธธโมสังโฆไปอนุโลมตามเด็กเล็เด็กน้อยมันไม่รู้จักภาษาอะไร